ลูกหลานที่รักวันนี้ตรงสวัสดีนิทานสู่กันฟังที่สิบสิงหาคมสองพันห้าสามสิบที่สิบสิงหาคมตรงตะวันขึ้นสิบห้าท่าเดิงเก้าเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงมองเนินท้องฟ้าแสงาสว่างเป็นที่สบายใจวันนี้ก็มาคุยกันคือเล่านิทานเรื่องของจุไร ก็เป็นการบังเอิญจริงๆที่วันนี้เป็นวันพระบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาต่างคนต่างก็ตั้งใจไปรักษาโบสถศีลไปที่วัดตอนเช้านำอาหารไปทำบุญถวายพระรับศีลแล้วก็ตั้งใจสวดมนต์เจริญภาวนาจ่ไลก็มีโอกาสได้ทำบุญกับแม่ แต่พอตอนเย็นสวดมนต์เสร็จถึงเวลาข้าเล็กน้อยออกไปชมพระจันทร์เต็มดวงมีความสว่างมากเธอก็มีความสุขใจมองดูดวงดาวทั้งหลายถ้าที่เคยไปเที่ยวมาแต่ถ้าว่าวันนี้จุลัยสนใจดวงดาวประศุกร์เพราะดาวประศุกร์นี่มองเปทางทิ่ตะวันตกมีแสงสว่างมาก เธอก็มีความรู้สึกว่าดาวดวงนี้คงจะมีของมีค่ามากเช่นเพชรนินจินดาเป็นต้นจิตก็นึกอยากจะไปชมดูดาวประสุกร์เวลานั้นจิตขอนเธอกำลังอยู่ในห้งองเขาสมาธิเล็กน้อยที่เรียกว่าจาระสมาธิ <c oughs> จิตก็นึกถึงวรัตนารามีพระพุทธเจ้าพระอา ญ, ญาและกับพระบัจีพระพุทธเจ้า พระอริยะสาวกทั้งหลาย <c oughs> รวมทั้งท่านผู้มีคุณทั้งหลายโดยคิดว่าถ้ากําลังบุญใดไม่เกินปิศาติที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระประเจ้าพุทธเจ้าก็ดีถ้อาอริยะสาวกก็ดีเทพเจ้าทั้งหลายท่านผู้มีคุณทั้งหลายก็ดีจะช่วยให้รู้จักคือไปแดนดาวพระสุขได้ก็ขอได้โปรดช่วยเวลานี้ เธอคิดสั้นๆแบบนี้แล้วลมก็จับอนาบาลนสติกรรมฐานคือลมให้ใจเข้าออกตั้งใจตามที่แม่เคยสอนในที่สุดอารมณ์ใจของเธอก็เข้าโ่ชานชานี้เข้าถึงก็บัญชาสี่อาศัยที่ก่อนภาวนาเรืยเข้าฌานจิตตั้งใจจะไปดูดวงดาวพระสุข จิตก็ล่องลอยไปสู่เข็ก็โดนดาวประสบทันทีการไปอย่างนี้ลูกหลานที่รักไม่ต้องไปตาอันดับตามธรรมดาสภาพของจิตมีการเข้าตัวมากถ้าตั้งใจว่าจะไปที่ไหนก็ไปตรงที่นั่นไม่ต้องเดินตามอันดับพอไปถึงใกล้ดวงดาวประสุกยื่นยื้นอกแถวัเข็งนในอากาศไกลจะโดวนดาวประสุกร์ก็เลยว่า หลายร้อยหรือหลายพันโยต์แต่ใสาอารมณ์ใจที่เป็นทิพย์มีร่างกายที่เป็นทิพย์กการไปไม่นำร่างกายเนื้อไปด้วยก็พิจารณาดูดาประสกความจริงดาประสกนี้อยู่ไกลๆสว่างมากคนหลายๆคนถ้าไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ ก็จะมีความรู้สึกว่าดาวพระศุข์จะมีความใสเหม็นแก้วเหม็นแก้วที่มีการสะท้อนแสงจากพระอาทิตย์แต่ถ้ามองไปจริงๆก็รู้จักความจริงว่าความจริงดาวพระศุขไม่ใช่แก้วมองได้นไกลๆก็เห็นดาวพระศุข์ทั่วดวงดาวพระศุขก็คือโลกโลกหนึ่งนั่นเองมองไปภายนอกของดาวพระศุข เห็นก้อนเมฆเพิมาลอยเคลื่อนไปเคลื่อนมาเหนือด้านนอกดาวพระศุกต่อไปก็บ่องทะลุเมฆเข้าไปเห็นดวงดาวพระศุก์ชัดตอนนี้ถ้าเรียกว่าดาวพระศุกก็ไม่ถูกแล้วเพรความแพรวพราวของดาวพระศุก์ไม่มีหรือถ้าจะมีก็คล้ายคล้ายกับว่าหิมะจับตัวเป็นยอดจาและยอดไม้ ต้องแสงอาทิตย์แปลว่าพอสังค์โขนตนนี้ส่วนที่มีแสงแพรวานั้นก็เป็นแสงด้านท้ายของดาวประศุขดาวประศุขหันหัวก็หาพระอาทิตย์แต่ก็ไม่ให้อยู่ติดพระอาทิตย์เลยทีเดียวห่างมากด้านหัวของดาวประศุขเข้ามาถึงประมาณกึ่งกลางในตอนนี้จะรู้มีความรู้สึกเลี่ยนเตียนโลง่งเหมือนก็คขนหัวล้าน ในหนึ่งแท้ไม่ได้ไม่เคยเห็นคนหนัวล้านก็ดูเขาหัวโลนมีความโลนไม่มีสภาพบ้านเรือนไม่มีต้นหญ้าไม่มีต้นไม้ไม่มีฐานน้ำํำถ้าจะเปรียบเทียบกับทะเลทรายดาวประศุก ต, ตอนนี้ยิ่งกว่าทะเลทรายซะอีกต้องมีสภาพคล้ายๆทะเลเพลิงก็มีความร้อนมากต้นหัวเรื่อยก็ไปเรื่อยก็ไปตอนกลางดาวประศุกจะรู้สึกจางจากความร้อน มีความร้อนไม่แตก ต, ต่างกับตะวันออกกลางถอยนะักในช่วงที่ตอนอ่อนจากความร้อนนี่ลิกเข้าไปหน่อยมีพืชพันธุ์ยาหารมีต้นไม้มีต้นยามีท่า น, น้ำองคไกลไปไกลใกล้ๆอย่างปลายดาวพระศุกร์ตนเลยนะก็รู้สึกว่าในตอนนี้ต้นไม้เขียวจะอุ่มจัดมีมะมัดปกคลุมดาวพระศุกร์ยิ่งตอนท้ายดาวพระศุกร์ ก็มีทานน้ำมีต้นญามีน้ำค้างและมีหิมะต่างๆเกาะใบไม้แข็งตัวทานน้ำที่เป็นทะเลก็เป็นทะเลแข็ง่วงความระดับพระสุข์นี่มีสภาพไม่เหมือนกันขอทุกคนผู้รับฟังเพื่อทราบว่านี่เป็นนิทานความารู้สึกต่างๆจากนิทานกับความรู้กับนักวิทาศาสตร์ต้องไม่เหมือนกัน ถือถ้าอาจจะเหมือนกันก็เรียกว่านิทานเดาไปเหมือนเงาคิยาสายเข้าเมื่อมองดูแล้วเธอก็ทราบว่าดาวพระสุกมีสภาพคล้ายดาวพุธแต่ว่าดาวพระสุกรดงนี้โตวกว่าดาวพุธมากมองไปดูดาวพรฤหัสดาวพระสุกรก้เล็กกว่าดาวพฤหัสเธอจึงเข้าไปใกล้ดวงดาวพระสุกอยากจะรู้ความจริงตอนนี้ก็ไม่แวะลงพื้นดินของดาวพระสุก ลอยละล่องไปในอากาศดูรอบๆตอนด้านหน้าใกล้ความร้อนเรียกว่ามีความร้อนอยู่มากแต่ก็ยังพอไปที่อาศัยก็สัตว์ทงหลายได้ก็ปรากฏมีบ้านช่องเปนโรงน้อยน้ำก็าหายยากบนผิวดินแห้งแกร่งจุดการมีน้ำน้อยๆเธอก็เลยไม่ชอบใจ <c oughs> เลื่อนตัวไหลข้าไปใกล้ๆียกว่าเข้าไป ล, าาลึกกึ้ไปอีกเกิดจะเป็นสูงกลางของความยินเพื่อตอนที่เย็นตอนนี้ก็เห็นต้นไม้งามชะอมเพืชพันธัญญาหารมากมีผู้คนมากในดาวประสมีบ้านเรือนรงสวยสดุดงามไปดูถนนถนนเขาก็เรียกดีไปดูคนก็มีความเรียบร้อย คนทุกคนเท่าที่มองเห็นจากอากาศมีสภาพเรียบร้อยรู้สึกว่าเขาไม่มีการไอความอันตรายเกยเออาจจะไม่มีหรืออาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่มากมองดูไปรอบๆใหญ่ย่ายทราบว่ามีตำรวจไหมมีทหารไหมมีคนถืออาวุธเครื่องบกรอันตรายมีไหมมองดูจากอากาศลงไปดูภาคพื้นก็ไม่พบ ไม่พบคนที่ถืออาวุธไม่พบคนที่แต่งตัวพิเศษเหมืนอนทหารไม่พบการยืนยามไม่พบการโยอนไม่เห็นสภาพของกองทัพเท่ก็ดูต่อไปว่าโดนดาวประสบนี่มีอะไรพิจนาสเกตบ้างยวดยานพาณิชคุณดาวประสบมีรถรถยนต์มีแต่ว่าสภาพของรถยนต์ มีสภาพใบคล้ายเครื่งกระรถของเราเท่าไรนักเป็นล้อจะมีเหมือนกันเครื่องยนต์มีเหมือนกันแต่สภาพขรงรถจริงๆมีสภาพโปรมีร่างคาสูงมีที่นั่งสูงขณะนั่งไปเรียกว่าช่วยการอากาศได้ดีไปมองดูความเร็วของรถความเร็วของรถอาจจะมีมากแต่ได้ว่า คนในดาวประสบเวลาขับรถขับไม่เร็วเกินไปถ้าเทียบกับโลกจำพูคือโลกที่เธออยู่ก็จะมีความรู้สึกว่าชาวโลกประสบใช้ความเร็วจริงๆของรถไม่เกิน40สไมล์ต่อหนึ่งชั่วโมงเข้าไปกันเรียบเรียบถนนก็โล่งไม่เบียดเสียกันการขับรถก็มีระเบียบคนแต่งกรตัวก็สวยยิ่มแย้มแจ่มใสกันไปดูในน้านน้ำ น่านน้ำมีมากมีทะเลมีมหาสมุทรมีคลองในคองในน่านน้ําก็มีเรือยนต์และก็มีเรือภายประเภทกันเชียงใช้ภายธรรมดาไม่เห็นมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบจะไม่เห็นมองดูเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเรือภายธรรมดาก็ไม่เห็นเรือทอก็ไม่เห็นถ้ามีก็มีประเภทเรือกันเชียง จับพายสองใบกันเฉียงถอยไปข้างหลังแล้วก็น่านาน้ำก็มีความราบเรียบสวยสดกองามสะอาดทางท่าน้ำก็รู้สึกว่ามีความราบเรียนมองดูไปในอีกด้านหนึ่งเต้ก็อยากจะทราบว่ากองทัพอากาศคขาโรคระสบมีหรือเปล่า <c oughs> มองไปแล้วก็ลอยไปรอบๆไม่เอ่มองที่เดียวมองไปแต่ลอยไปรอบๆ คนด้านใต้จะเกงความร้อนกับความเย็นก็ ร, รายกฎมีเครื่องบินเครื่องบินมีตามสถานีต่างๆมากสถานีและท่าอากาศนี่ก็มีเครื่องบินมากแต่มองไปดูทีว่าเครื่องบินรบที่มีสภาพมันก็เป็นรบของเรามีการติตรดอาวุธทิเจรอดมีไหมมองไปดูจริงๆเท่าไรก็ไม่พบไม่พบว่าเป็นเครื่องบินรบ เทก็สงสัยว่าบ้านเมือง น, นี้หนึ่งขาดตำรวจถ้าขโมยมีมากๆอย่างโลกชมพูก็เป็นว่าชาวบ้านทั้งหลายไม่มีของจะใช้ทั้งนี้เพราะอะไรพวก็ขาโมยจิบหมดไม่มีตํารวจปราบกรามและขอบเขตต่างๆไม่มีแต่หารระวงังจะเกิดการมีการลุกรามขึ้นมาก็จะถูกคิดประเทศเราแต่ก็คือจะคิดเดียวกัน ว่าในเมื่อคนทุกคนไม่มีใครเป็นตำรวจคนทุกคนไม่มีใครเป็นทหารการขมโมยกันกั่นคงเห็นกันอาจจะไม่มีและการลุกรานกันด้านชายแดงก็คงจะไม่มีการย่งยื้อย่างดินแดนก็คงจะไม่มีรวมความว่าตอนนี้เห็นบ้านเมืองสวยสดงดงามมีถนนหนทางมาติดต่อกันเป็นสายตลอดโลกประสุ คามจริงมองแล้วมีความสุขใจมากตอนใดที่มีแม่น้ําขวางก็มีสะพาน ล, ลอยสูเรือก็วิ่งไปรับเรียบคนก็แต่งกายผ้าไม่นาถ้าจะเทียบกันไปก็เหมือนกับคนในประเทศไทยแต่งผ้าบางๆแบบธรรมดาธรรมดาเธอก็คิดว่าตอนกลางส่วนนี้ระหว่างความร้อนกับความเย็นหมายความร้อนเข้ามาที่ ประเภทเกือบจะอุน่นจับต้นตอนนี้ถึงท้ายตอนนี้ในตอนนี้นี่ก็เป็น่ซนกลางคนจะมีความร้อนไม่มากมีความเย็นไม่มากเกินไปฉะนั้นคนจะงมีผ้าบางๆแบบประเทศไทยเธอก็สงสัยคิดว่าตอนปลายข้าโลกระสุนจะเป็นยังไงก็อลอยต่อไปอีกตอนนี้ก็พบปอนน้ำที่ติดกับใบไม้ยอดไม้มีมาก แต่ยอดยา ก, ก็ชุ่มชื้นไปในน้ำเป็นเขตที่มีความหนาวมากผู้คนต่างๆก็แต่งกายด้วยผ้าหน า, น า, นาเหมือนกับในอเมริกาในยุโรปบางประเทศแต่ก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้ควจะหนาวจัดมองดูโลกแถวนี้ก็ปรากฏว่ามีตึกสูงและก็มีโรงงานต่างๆมากพืชพันธุญ์ญาหายก็มาก ถ้าโลกนี้มองกันดูจริงๆถ้าจะเทียบกับโลกชมพูดาวประสุกร์ก็มีเนื้อที่มากกว่าโลกชมพูเกือบเท่าตัวแต่ว่าส่วนที่มันมาที่ที่มีชีวิตจาระไส้อยู่ได้ก็ดูว่าจะน้อยกว่าโลกชมพูเพราะตอนหน้าร้อนมากเกินไปอันนี้ก็มองดูไปว่าเอ็โลกที่นี้ตอนที่มีความหนาวเมื่อไรเป็นไปเศษ็จไหมก็พบว่ามีโรงงานใหญ่ๆ มีควันขมงกแสดงว่าคนทา ง, งานคนออกจากโรงงานก็มากในดินแดนแถนนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนมีความร่ำรวยมากยานพาณกมากสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือมีลูกของกลมที่อัดลมข้างในและอัดใกข้างในนั่นคือลูกบอลลูนมีลอยอยู่มากสำหรับลูกบอลลูนนี้ด้านหน้าก็ด้านหน้าส่วนที่ห้อย หมายว่าตัวอาคารที่ห้อยกับลูกบอโลยมีใบพัดด้านหางก็มีหางคล้ายเครืค่องบินแต่สภาพแต่งแตกต่างอันนี้ต่อยเวลาที่เขาต้องการจะบังคบับเครื่องไปไหนก็เห็นหันโอตันนั้นใช้เครื่องเอาบอลลูถ่วงข้างบนเป็นเครื่องเล่นสาหรับชาวบ้านกรรองความว่าเครื่องบินประเภทนี้เรียกว่าเครื่องบินก็ได้ เรียกให้ถูกจริงก็ง ต, ง ต, งต้องต้องเรียกว่าเครื่องเกาะเครื่องบินแอ้เครื่องบรนลนหรือเรือเกาะบรรลนเรือประเภทนี้ไม่มีการตกถึงอาเสียชีวิตเพราะบรรลนในสภาพถ่วนเวลาที่เขาแยกขึ้นก็ปล่อยแก๊สหรื ล, ลมเข้าไปทั้งบรรลนคือขยายเต็มตัวพาลอยขึ้นไปหลังจากนั้นก็มีเครื่องบินไปพัตที่เกาะอยู่ด้านล่างพ่วงอยู่ มันลุนมันลุนยกเครื่องก็พาบินไปตามพิศทางนีสต้องการการจริงก็รู้สึกว่ดีปลอดภัยเป็นที่ใช้ของบรดาประชาชนเพื่อเพื่อวัญญาณบรรณของชาวบ้านชาวบ้านใช้กันมากรู้สึกว่ามีความสะดวกความจริงถ้าประเทศไทยเรามีก็ต้องคิดเหมนกันต้องตั้งจํตรจำตรวจจำตำรวจจราจรในอากาศแล้ว ดีไม่ดีเครื่องบินบนรรลูนอาจจะชนกันบริสตัดก็ได้ก็ <c oughs> อาจจะมีมากเกินไปของเขาที่นี้มีมากแต่ไม่มากถึงกัต้องชนกันรู้สึกว่าเครื่องบอร์เส้นยานรีกกันเพราะว่าชาัดเจนแจ่มใสใช้เป็นกระแสะไฟสีถ้าเปิดสีแดงเลี้ยวทางไหนเปิดสีเขียวไปทางไหนเปิดสีเหลืองขึ้นบน เปิดสีใสลงล่างอันนี้เป็นต้นแม้ว่าเวลาบรรลูนที่เครื่องบินที่เกาะเครื่องที่เก่อบันลูนไปสวนกันเขาอยาสัญญาณว่าใครเลี้ยวทงไหนเปิดฝ่ายด้านไหนไปด้านนั้นก็รู้สึกว่าน่าจะมีความสุขต่อไปเธอก็ลอยมาด้านท้ายสุดด้านท้ายสุดนี่มหาสมุทรเป็นน้ําแข็งทุกสิ่งทุกอย่างหนาวจัดเย็นมากแต่ก็มองเห็นกลุ่มสุนัข ก, กลุ่มสุนัขคล้ายๆกับสุนัขจรจอก ทีบริการหนึ่งท้าดีกันจชัดง่ายๆแ้คล้ายหมาจูจะเรียกสุนัขจูเขาก็ไม่เรียกเ้าดียกหมาจูเช่นบ้านหลง อ, อย่างนั้น <c oughs> มีขนยาวมากเกือบจะปิดตาทั้งหมดเดินไปเดินมาเ็นก้อนน้ำแข็งแบบสบายๆรู้สึกว่ า, นาหนาวขนาดไหนก็ตามเธอมีความสุขทั้งนี้เพราะรอะไรเพราะว่าเธอเกิดในเขตก้อนน้ำแข็งเป็นของไม่แปลกเดินประเตุ น, นั้น ต่อมาเธอกเร่งขับไปใกล้ในพื้นดินต่ออีกหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็เห็นมีคนเธอก็น่าแปลกใจว่าคนถิ่นนี้นแทนที่จะใส่เสื้อนั้นมาแล้วก็เะทะกันความหนาวกับเปลี่ยกายเป็นแต่งเสื้อผ้าบางๆแต่มีรองเท้ามีพันแข้งมีผ้าบกูกหัวเทากับาง เธอก็มีความสงสัยว่าผ้าบางๆของเขาเนะี่ยอาจจะเป็นประเภทผ้าบางเนื้อแน่นป้องกันความหนาวได้ดีอาจจะเป็นอย่างนั้นเมื่อบางดูทีบรรดาสัตว์ทน้ายในเขตนั้นก็มีขนยาวอย่างลิงและข้างเป็นต้นในขนยาวเป็นกรณีพิเศษยาวกว่าที่โลกมนุษย์เรามีมากเธอก็ลอยลงไปต่ําอยายจะสซาสจะทราบพึ้นความเป็นจริง ว่าดินแดนแห่งนี้มีบ้านใหญ่ๆหญ่ไหมได้ก็พบความเป็นจริงว่าดินแดนแห่งนี้บ้านใหญ่ๆไม่มีโดยมากจะมีบ้านประเภทอยู่ในถ้ำหรือว่าขุดดินทําเป็นรังคายอยู่เข้าใจว่าจะมีความอบอุ่นดีประโยชน์พื้นดินมากเคื่อนไปดูคนคนกับสัตว์มีความเชื่องกันมาก พบคนเดินในปา่าสัตว์ป่าเห็นเข้าสัตว์ป่าไม่หนีคนก็ไม่หนีสัตว์ปา่าต่างคนต่างได้เราหากันคนตีใบยกมือปล่อยเสียงโบ๊เบ๊บเบ๊ใส่ก็ทําหน้าเล็กๆมองไปหามาก็เข้าใจทันวิ่งก็มาหาคนครู่งความว่าคนกับสัตว์รู้ภาษากันคือเข้าใจในภาษาซึ่งแต่ละกันอันนี้เธอก็มีความสงสัยว่าแต่คืนล อ, อยอยู่อย่างนี้ คงไม่ทราบเรื่องดีอะไรกันแน่อยากจะลงดูพื้นดินก็ลอยลงไปด้านหน้าแต่กงกลางที่ว่าหินคนใส่เสื้อบางๆด้านที่แรกแต่งตัวบางๆคล้าประเทศไทยลอยลงไปใกล้ไม่ถึงพื้นดินนักเพื่อความเร็วก็ตรวจ ด, ดูเขตก็รู้สึกว่ามีป้ายบอกชื่อประเทศเป็นจุดๆเป็นแห่งแห่งอนณาเขต าอาณาเขตเขารับเรียบมากไม่มีทหารนักาการมีถนนติดต่อกันมีสายไฟฟ้าท่วงถึงกันการเดินทางไปมาหาสู่กันไม่มีด่านไม่เหมือนกับประเทศไทยไปมาเลเซีย <c oughs> ก็ตะเวกตัวที่ด่านนานแสนนานแทบพูดนานกว่าจะรู้เรื่องดีไม่ดีแค่ แ, คแอล่ายังไม่ยอมให้ไป แต่ว่าไปดูของเขาเข้าโลกวันศุขเคเขาจะไปประเทศไหนรู้สึกไปแบบสบายๆไม่มีใครกัน้นไม่มีใครกางไปเบื่ออิสรภาพแต่ละเขตเข้าไปก็รู้สึกว่าทุกคนต่างโครงต่างเป็นมิตรคิดว่าคนที่คิดเป็นศัตรูเส้นอะไรกันคงจะหายากอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะต้องพิจารณาว่าโลกนี้มีความสุขต่อไปจะเห็นคนกลมหนึ่งแต่งตัวสวย เข้าใจว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองผู้ชายก็แต่งตัวสวยผู้หญิงก็แต่งตัวสวยโลกนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยเพชรมิ่งจินดามีเครื่องประดับแปรว่าวรู้สึกว่าเขาจะประดับมากแม้แต่กำไลข้อเท้าขเขาก็มีเพชรกำไลมื อ, ขอเขาก็มีเพชรที่คอแทนจะเป็นสร้อยจะเป็นกำไลแท่งใหญ่ แต่รู้สึกจะมีทองบางก็ประดับเพชรให้ตัวร่างประดับลวดลายต่างๆน่ารัเนี่เขาทําสวยมาก <c oughs> เธอก็เข้าไปหาท่านผู้ใหญ่ท่านหนงท่าทีเป็นผู้ใหญ่มากในคนกลุ่มนั้นเธอก็ถามว่าประเทศนี้ในโลกนี้มีทหารไหมชายคนนั้นเห็นเธอเขาก็แปลกใจเขาถามเธอว่าหนูมาจากไหนตัวไลก็ตอบว่าหนูมาจากโลกชมพู เขาก็นั่งนิ่งนึกประเดี๋ยวหนึ่งเขาถามว่าโลกจมโพอยู่ที่ไหนเธอก็ชี้ดูดวงดาวดวงหนึ่งที่อยู่ไกลแสงไกลจากดาวประสุ <c oughs> เกเธอบอกว่านั่นคือโลกจำโพที่ท่านอยู่เขาถามว่าหนูมาได้อย่างไงเจ้าไอ้ก็ตอบว่าหนูลอยมาเขาถามว่าคนโลกจำโพลอยเก่งอย่างนี้ทุกคนเลยจุไรก็บอกว่าหนูลอยไม่เก่งหนูัต่ลอยสู้แม่หนูไม่ได้ ท่านโรคจำพูทุกคนจะลอยเก่งเหมือนกันลรืไม่หนูก็ไม่ทราบแต่ที่บ้านหนูลอยท่านได้ทั้งพอ่อทั้งแม่และลูกรอยได้หมดทุกคนเขาก็แปลกใจเขาถามว่าโรกจมพูมีทหารมีตํารวจหรือเท่ก็ตอบว่ามีเขาตอบว่าทหารตํารวจมีไว้ทําไมเธอก็ตอบว่าทหารมีไว้ป้องกันประเทศกันการลุกลามฆ่าสิตํารวจมีการมีไว้ปราบปรามโจรผู้ไรา้ายเขาก็แปลกใจ เขาถามว่าค่าศึกหมายถึงอะไรเือก็ตอบมีการรบกันเขาถามรบกันเป็นยังไงรลงความโุยไหลงงยิ่งถามก็บอกว่าที่นี่ไม่มีเครื่องบินรบเลยก็ตอบว่าคําว่ารบไม่รู้จักมีแต่เครื่องบินจะหาะไปเหาะมาไปเที่ยวที่ต่างๆถ้าไปไกลเกินไปนั่งรถเหนื่อยก็นั่งสคบินไปแต่โลกที่มีความเีื่ยกว่าคือด้านเหนือยอก็ชี้ไป ทิ้งแต่งเขามีบนลุนสําหรับเที่ยวที่บอกว่าทราบแล้วเธอเขาก็ถามได้ว่าผมข้างหน้านี้หมายถึงอะไรไปผมจุกของเธอมีปีนเ้าก็เธอก็ตอบว่านี่เขาเรียกจุกเขาว่าถามว่าจุกมีไว้ทาไมเธอก็ตอบว่าจุกมีไว้เพื่อแสดงความเป็นเด็กเขาาถามว่าเธอเป็นเด็กหรือเธอก็ตอบว่าเป็นเด็กรวมความว่าคนโลกนี้โง่ทุกอย่างไม่รู้จักคไว่จุก ไม่รู้จักคำวรบไม่รู้จักคำตาหารไม่รู้จักโจยผู้ร้ายไม่รู้จักตำรวจโลกความโลภ ก, ก็สุกเต็มในโลกความโงโ่องคนโลกมนุษย์แต่ว่าเป็นโลกที่มีความสุขที่สุดที่กว่าโลกมนุษย์มากานั้นบรรดาลูกลักถลายมองใ น, นเวลาเลี้ย น, นาทีมากกว่าก็ข อ, ขอจบโลกควาสุขเพียงเท่านี้เพราะความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบนนูรณ์ผลผลจงมีแต่ลูกลักทุกคนสวัสดี